สิกขาบทที่7ถามทรงบัญญัตทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อเดินแกวงแขนไปในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีเดินแกวงแขนไปในละแวกบ้านในสิกขาบทที่7นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา